ดกไปดวตัเองเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองเรียนจบแค่ชั้นมัธยมปีที่สอง<ม>เรียนนักธรรมชั้นเอกแล้วก็บาลีก็ไม่ถึงประยนเก้แต่แค่ชั้นปีเรียธรรมสมประโยคเท่านั้นเองแต่เชื่อไหมว่าภูมิบัญญาของท่านพุทธท่านเนี่ยไปเวทีโลก<ม>ในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกหลายมหาวิทยาลัยอาจจะบอกได้ว่าทั่วโลกที่เขาสอนเรื่องศาสนาแล้วก็ปรัชญา<ม>เขาจะต้องมบอยู่คําสอนของท่านพุทธท่าน<ม>เป็นหนึ่งในชิ้นงานสําคัญที่นักศึกษาจะต้องได้อ่านกันของโลกเลยนะของโลก เพราะฉะนั้นชื่อเสียงของท่านเนี่ยไปในเวทีโลกแล้วก็น่าแปลกว่ายิ่งท่านมรณภาพห่างออกไปกี่ปีก็ตามชื่อเสียงของท่านกลับดังมากขึ้นเป็นทวีตรีคูณครับครับทั้งนที่ถ้าเป็นคนทั่วไปพอล่วงลับดับฐานไปน่าจะหายนะแต่ท่านพุทธทาสไม่ใช่ทำไมครับยิ่งหายไปกับยิ่งดังดังการที่ท่านเป็นคนของโลกอัตมาภาพมองว่านอกจากอัจฉริยภาพของท่านเองนะเป็นพระโยมมารดาของท่านครับท่านพุทธทาส เ, เคยพูดคําสําคัญเอาไว้นะ ซึงกัตมาภาพผมรู้สึกเหมือนจะเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิติมักดะที่พาลูกชายจะมอบให้กับอยองแม่มคือท่านบอกว่าถ้าไม่มีแม่เนี่ไม่มีส่วนโมกครับ<ม>ส่วนโมกที่ท่านสร้างขึ้นมามชื่อเต็มว่าส่วนโมกค่ะพระรามเนี่ยถ้าไม่มีแม่ไม่มีส่วนโมกครับถามว่าทําไมท่านจึงพูดประโยคนี้ก็เพราะว่าตอนนี้ท่านทิ้งกรุงเทพในปีพุทธศักราช2475ก่อนคณะรัษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองทิ้งหนึ่งเดือนท่านลงไปแล้วท่านคิดจะสร้างวัดป่า ที่ไม่มีโบสถ์นะไม่มีวิหารไม่มีสาลาการบรียนไม่มีพระพุทธรูปครัโยมแม่ท่านก็เรียกไปถามมาลูกลูกจะสร้างโบสถ์ยังไงอไม่มีพระประธานไม่มีผนังโบสถ์ไม่มีหลังคาไม่มีช่อฟ้าใบระกา แม่ไม่เข้าใจว่าบทของลูกนี่มันจะนําไปสู่อะไรอใช่ไหมเราคงไม่เคยเห็นใช่ไหมพอนึกถึงบทปุ๊บเราก็จะนึกถึงช่อไฟมาเลกาที่สัง่างานอุใช้เงินเป็นสิบล้านสร้างโบสถ์หลังหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้โบสถ์ที่แพงที่สุดในเมืองไทยก็สองพันล้านเข้าไปแล้วดูสิสองพล้านแต่โบสถ์ของท่านพุทธทาสเนี่ยมีเพดานนะเป็นท้องฟ้าผนังเป็นผืนป่าธรรมชาติอืพื้นโบสถ์ก็คือลานทรายอืพระประธานก็คือธรรมะอืแต่โบสถ์อย่างเนี้ย มีคนเข้าไปเนี่ยท่านพุธทธท่านเคยทาสถิติเอาไว้มีอยู่ปีหนึ่งคนเป็นแสนแ่ะไปส่วนโมกครับแล้วคนไปส่วนโมกเป็นแสนเนี่ยไม่มีการทำประชาสัมพันธ์เลยนะไม่กันเองนี้เรียกว่าวัตถุนี้อยู่ที่ใจหรือเปล่าเจริญพรก็คือเคล็ดลับของท่านอยู่ที่ไหนอยู่ที่แม่โยแม่เรียกท่านไปถามว่าลูกจะสร้างโบสถ์แล้วมันมีแต่ป่าเนี่ยมันจะดีกว่าโบสถ์ของชาวบ้านได้ไงท่านก็บอกว่าโยแม่โบสถ์ที่ลูกจะสร้างเนี่ยนะมันเป็นโบสถ์ที่ ประดิษฐานอยู่ในหัวใจคน <c oughs> คือลูกจะสร้างโบสถที่ไม่ต้องเปลืองอิฐไม่ต้องเปลืองปูนไม่ต้องเปลืองก้อนกรวดก้อนหินแม้แต่ก้อนเดียวแต่ลูกจะสร้างโบสถสร้างวิหารในใจคน <c oughs> แม่ท่านเนี่ยเป็นแม่ที่ที่เสี่ยงมากเพราะอะไรเพราะพ่อลูกชายได้คิดนอกกรอบ <c oughs> <c oughs> แต่แม่เอาด้วยอ <c oughs> อืฮ <c oughs> ท่านพุทธทาสเขียนไว้ว่าวันนั้นถ้าโยมแม่ห้ามคําเดียวว่าลูกอย่าทําอือคําว่าพุทธทาสไม่เกิด Oh, โลกจะไม่ได้รู้จักพระพุทธศาสนาในมิติที่มีชีวิตชีวาที่สุดอย่างที่ท่านพุทธาทาสเผยแผ่เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเนี่ยที่ฉันเป็นพุทธทาสมาได้เป็นเนื้อเป็นตัวมาได้แล้วใครก็ตามที่ชื่นชมอัตมาภาพเห็นว่ า, าท่านทาประโยชน์ได้ดีที่สุดครับอยากจะชมอัตมาขอให้ชมไปถึงโยมแม่ของอัตมา ด, ด้วยนั่นแหละแม่ของอัตมาสอนแล้วท่านพุทธทาสเนี่ยก็ได้อุปนิสัยหลายลอย่างมาจากโยมมันดาครับอุปนิสัยอย่างหนึ่งคือความกตัญญู มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยท่านสั่งให้ลูกศรษ์ลูกหาฤทธิ์กิ่งไม้ที่สวนโมกลูกศรษฐก็ถามว่าท่านอาจารย์สั่งให้ลูกเศรษฐฤทธิ์กิ่งไม้ทําไมครับท่านพุทธท่านพูดประโยคที่สำคัญบางทาให้ลูกศรษฐต้องอึง้งไปท่านบอกว่าที่ฉันสั่งให้เธอฤทธิกิ่งไม้เนี่ยนะเพราะว่ากิ่งไม้บางกิ่งเนี่ยมันบังยอดเขาซึ่งยอดเขาลูกนั้นในบรรจุอัฐิคือกระดูกของโย ม, มานดากับโยมบิดาของท่านอื ท่านกัตัญูต่อโยมานดาโยมิดาคือทุกวันที่ท่านเดินออกกำลังกาท่านจะมองดูยอดเขาที่บรรจุอั ธ, ธิคือกระดูของมานาบิดาของท่านครั บ, รบถาม่าไปดูยอดเขาแล้วท่านทำทำไมครับท่านจะได้บอกโยมแม่ของท่านว่าโยมแม่โยมพ่อถ้าลูกชายของโยมพ่อโยมแม่เนี่ไม่เสียชาติเกิดนะที่ลูกมาบวชในลูกได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดจริงๆไม่เสียค่าเข้าแดงแกงร้อนของโยมแม่ของใครต่อใครที่มาเคารมนับถือโลกลูกจะทำดีจนนาทีสุดท้าย ท่านเขียนบันทึกเอาไว้แบบนั้นอแล้วมีวันแม่วันหนึ่งนะท่านเล่าไว้ครับท่านบอกว่าตอนที่ท่านยังเป็นพระหนุ่มๆนะอายุ26 27โยมแม่เนี่ยจะเอาปินโตไปส่งครับแล้วท่านก็ตอบแทนโยมแม่ทํำยังไงโยมแม่ส่งอาหารกายถวายปินโตทุกวันครับท้าลูกชายเนี่ยเขียนโน้ตธรรมะนะวันละหนึ่งหัวข้อฝากใส่ปินโตส่งไปให้โยมแม่ส่งกลับไปให้ส่งกลับไปให้โยแม่ โยมแม่เลี้ยงกายของพระลูกชายพระลูกชายเลี้ยงใจของโยมแม่อท่านกระตันยูต่อแม่ถึงขนาดนี้นะครับแต่วันหนึ่งท่านก็ยังบอกว่าอัตมายังรู้สึกเสียใจอยู่ไม่หายที่ตอนนี้เป็นพระผู้ใหญ่รู้ธรรมะขั้นลึกๆอยากจะกลับไปสอนโยมแม่ครับแต่ก็ไม่ทันโยมแม่ชิงตายไปเสียก่อนนึกแล้วก็ยังว้าเหวยอยู่ไม่หายท่านทําดีขนาดนี้ท่านยังบ่นว่ายังดีไม่พออนี่เราน่าจะย้อนมาหาพวกเราว่า เราทําดีสู้ท่านได้ไหมอ๋อนะครับแมพี่ฮารครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าจะให้ผมพูดนะครับผมว่าทุกวันศุกร์เนี่ยผมได้ฟังพระอาจารย์มาเทศหรือมาสุนทนาธรรมอะเลยนะฮะทำให้จิตใจระเบิดบานถ้าจะย้อนถามว่าแล้วมรรดาของพระอาจารย์ล่ะครับแล้วเรียนดูพระอาจารย์ยังไงถึงได้มาเรียกว่ามาทําให้พวกเราเนี่ยนะฮะจิตใจโปร่งใสกันในทุกวันศุกร์แบบนี้คงต้องเรียนถามพระอาจารย์ครับโยมแม่ของอาตมาเนี่ย เป็นโยมผู้หญิงที่ไฝ่รู้มากครับเปิดรายการวิทยุทิ้งไว้ทั้งวันเลยนะตื่นแต่เช้าเนี่ยอัตภาพได้ฟังรายการวิทยุล่ะอเราลุกขึ้นมาทําความสะอาดบ้านเรือนนะโยมแม่ก็เปิดวิทยุทิ้งไว้6โมงก็จะเปิดข่าวของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยครับรายการข่าวที่รายงานโดยคนปรีชาทรัพย์โสภาอ่านข่าวโห่จำเลยเนี่ะอ่านข่าวเร็วยังกะเข้าตอกแตกนะฝังใจทำไมาจําฝังใจเลยครับ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับตมาอาตมากลายเป็นคนที่รู้เหตุการณ์บ้านเมืองโดยอัตโนมัติโอนี่ถุงมูอพื้นฐานโดยโยแม่ปูพื้นโดยโยแม่แล้ววันหนึ่งโยแม่ก็พาเราไปวัดไปวัดไปวัดเราก็ชอบพระชอบวัดครับเห็นว่าเออผ้าเหลืองนี่ทำไมมันมีเสน่ห์จังเลยตมาอยากบวชนะโยแม่ไม่เคยขอก็อยากบวชเองโดยอัตโนมัคติแล้วเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้อตมาบวชมาได้จนถึงยี่สิบปีหรือมีวันหนึ่งเนี่ยโยแม่ของตมาไปที่วัดครับเส้าก็มองดูที่ที่หน้าโบสถ์ มองดูที่หน้าบทแล้วท่านก็รำพึงว่าเนี่ยแม่เนี่ยไม่รวยเหมือนชาวบ้านเขาจึงไม่ได้มีชื่อติดตามประตูตามหน้าต่างของบทเลย<ฮ>เราเป็นเนรนนาแเราก็มันสะอึกอะ่ะก็บอกว่าแล้วยมแม่จะเสียใจไปทำไมยมแม่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพประตูหน้าต่างวิหารอะไรแต่ยมแม่ได้ถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้ศาสนาแล้วเนี่ยนั่นก็คือเครับ อามาก็พ่องออกไปก็นี่ไงพาูกชายเราก็พ่องออกไปแล้วก็ทำให้เราเอา้าวเราเราสัญญากาโยมแม่โดยมืออื่นนะเนี่ยก็เลยก็เลยต้องบวชให้ยมแม่ก็เลยต้องบวชยาวแล้วก็มีมีมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ประทับใจพ่ออะไร เขามีอยู่ปีนึงเนี่ยแต่ภาพได้ซื้อผ้าถุงให้ยอมแม่ครับครับซื้อผ้าถุงซื้อผ้าถุงให้ยอมแม่โอ้แม่ขาเขาตกใจพาอะไรมาซื้อผ้าถุงให้แม่ อ, อุมองหัวโจท้าวเลยฮะว่าเราซื้อผ้าถุงให้เก๊กเนี่ยคือเราก็ไม่ได้บอกซื้อผ้าถุงให้ใครแต่พระมาซื้อผ้าถุงนี้แม่ขามองมองมอามองกล่าว่าวันเนี้ยด่าครบชุดเลยนะโอ้ยเลยนะัรท่าไงเากบอนี่ เป็นพระเป็นเจ้ามาซื้อผ้าถุงให้ผู้หญิงมันเหมาะ <โ reco, S 2> หรือ i mean. เปล่าเนี่ยโอ้นี่ยไหมครับป่าเปิดฉากเลยโอ้หแม่ค้าเขาเขาเปิดฉากอาตมาเลยนะปะาฉาดเลยครับหมเขาบอกใจเยนเดี๋ยวเดี๋ยวอาตมาซื้อไปให้โยมแม่เนี <Salt> ่ย <ed. criticism> จะถึงวันแม่แล้วพอรู <c human Oui> ้ว่าโยมแม่อู้นน้าตาแม่ค้าไหลเพาะเพาะเพาะอุ้ยสาธุถ้าโยมมีลูกอย่างท่านนะโยมก็ไม่ได้มานั่งขายผ้าถุงอยู่นี่หรอกโอ้โยมร้องไห้ อาตมาไปซื้อผืนเดียวแม่ค้าซึ้งแถมสามผืนเลยซื้อหแถมสามเป็นคนก็เป็นภาพพิมพ์ใจมากแล้วก็อาตมาคิดว่าประทับใจ oh. เพราะในวันสุดท้ายที่โยมแม่ของอาตมาภาพสิ้นโ oh. ยมแม่เนี่ยท่านท่านสิ้นในวันที่ท่านสิ้นเนี่ยท่านได้สวมผ้าถงที่อาตมาซื้อให้ hmm. อาตมาภาพคิดว่าถึงแม้เราไม่ได้อยู่เลี้ยงการท่านแต่ชุดสุดท้ายที่โยมแม่สวนใส่ในการเดินทางไปสู่สัมปรายภพโลกหน้าก็เป็นชุดที่ oh. อยากน้อยพระลูกชายเคยซื้อให้แม่ ครับก็เป็นความภูมิใจที่ลูกได้ทําให้แม่ก็ประทับใจแล้วก็อยากฝากถึงลูกลทั้งหลายว่ามารดายังมีชีวิตอยู่นั่นคือโชคดีของคุณคแต่โชคร้ายก็คือถ้าคุณยังไม่เคยกราดท่านนั่นคือโชคร้ายเพ ร, <ser> là, ราะฉะนั้นถ้าเรามีแม่อยู่ก็ขอให้กลับไปกลับไปดูแลท่านซะแล้วก็ฝากทิ้งท้ายไว้ว่ากราบพระหมื่นอ ง, งแสนองแต่หากไม่เคยกราบพ่อกราบแม่ก็เท่ากับว่าไม่มีคุณค่าอะไรเลยครับครับผมพระอาจารย์ครับผมมีอยาก ถามส่วนตัวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลที่ตอนนี้คุณแม่เสียไปแล้วแต่อยากจะทำอะไรให้คุณแม่สักอย่างหนึ่งแต่ไม่มีโอกาสได้ทำเพราะว่าไม่มีแม่แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีไหนสามารถทำได้บ้างครับอาจารย์อาจาคิดว่าง่ายที่สุดเพราะว่าตัวเราก็คือนุกสาว ร, ริของแม่ใช่ไหม ตัวเราเรียโครโมโซม X โครโมโซม Y มาจากพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นแม่สิ้นแล้วแต่ว่าอนุสาวรีย์ของแม่นั้นอยู่คือตัวเราครับเวลาเขาชมเราเขาก็บอกว่านี่ลูกของแม่คนนั้นเวลาเขาด่าเราเขาก็บอกว่านี่ลูกของแม่คนนั้นเขาชมก็คือชมถึงแม่เขาด่าเ็คือด่าถึงแม่ดังนั้นจะทําความดีตอบแทนแม่ถึงแม่ไม่อยู่แต่อนุสาวรีย์ของแม่อยู่เป็นคนดีให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาเห็นนั่นแหละคือการตอบแทนพระคุณแม่ที่ดีที่สุด ซึ่งมากนะฮะนี่ผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่ อ, อคุณผู้ชมหลายท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อกี้ลุงพี่บอกว่าเวลาเขาจงว่จงแม่คนนั้นระด่ากะด่าแม่คนนั้นแต่ชี้ไม่ชี้ชี้กันทุคนชี้คุณหานธรรมาไม่ห่วงเรา <c oughs> โอ้สนุกรับจิตใจบวกเบิกบานจริงๆนะฮะวันนี้ยอดจริงๆครับวันนี้ต้องกราบขอพวกคุณฟาจารีกครั้งนึ่งนะครับ เอาละครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพิฮาร์และพระอาจารย์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ท, ทิ้งกรุงเทพในปีพุทธ ศ, ศักราช2 7 5ก่อนคณะรัศดรเปลี่ยนแปลงการปกครองทิงหนึ่ง เ, เ, เ, เ, เ, เ, เดือนครับครับท่านลงไปแล้วท่านคิดจะสร้างวัดป่าที่ไม่มีโบสถ์นะ ไม่มีวิหารไม่มีศาลาการบรียนไม่มีพระพุทธรูปครับโยมแม่ท่านก็เรียกไปถามว่าลูกลูกจะสร้างโบสถ์ยังไงอ่ะไม่มีพระประธานไม่มีผนังโบสถ์ไม่มีหลังคาไม่มีช่อฟ้าใบระกาออืแม่ไม่เข้าใจว่าโบสถ์ของลูกนี่มันจะนําไปสู่อะไรออืครับใช่ไหมเราคงไม่เคยเห็นใช่ไหมพอนึกถึงโบสถ์ปุ๊บเราก็จะนึกถึงช่อฟ้าใบระกาที่สังข์งามอู้ใช้เงินเป็นสิบล้านสร้างโบสถ์หลังหนึ่งนะเดี๋ยวนี้โบสถ์ที่แพงที่สุดในเมืองไทยก็สองพันล้านเข้าไปแล้วดูสิ 2, นนแต่โบสของท่านพุทธทาสเนี่ยมีเพดานนะเป็นท้องฟ้าผนังเป็นผืนป่าธรรมชาติอพื้นโบสก็คือลานทรายพระประธานก็คือธรรมะมแต่โบสอย่างนี้มีคนเข้าไปเนี่ยท่าพุทธทาสเคยทําสริฐีเอาไว้มีอยู่ปีหนึ่งคนเป็นแสนไปส่วนโมกครับแล้วคนไปนส่วนโมกเป็นแสนเนี่ยไม่มีการทําประชาสัมพันธ์เลยนะให้ให ก, กันเองอย่งน้เรียกว่าวัตถุนี้อยู่ที่ใจหรือเปล่าเจริญพรก็คือเคล็ดลับของท่านอยู่ที่ไหนอยู่ที่แม่ โยมแม่เรียกท่านไปถามมันลูกจะสร้างโบสถ์แล้วมันมีแต่ป่าเ น, นี้ยมันจะดีกว่าโบสถ์ของชาวบ้านได้ไงท่านก็บอกว่าโยมแม่โบสถ์ที่ลูกจะสร้างเนี่ยนะมันเป็นโบสถ์ที่ประดิษฐานอยู่ในหัวใจคน mm hmm. คือลูกจะสร้างโบสถ์ที่ไม่ต้องเปลืองอิดไม่ต้องเปลืองปูนไม่ต้องเปลืองก้อนกรวดก้อ น, อนหินแม้แต่ก้อนเดียวแต่ลูกจะสร้างโบสถ์สร้างวิหันในใจคน แม่ท่านเนี่ยเป็นแม่ที่ที่เสียงมากเพราะอะไรเพราะพระลูกชายได้คิดนอกกรอ บ, ร บ, รบแต่แม่เอาด้วยอื ฮ, <ะ>อฮท่านพุทธทาเขียนไว้ว่าวันนั้นถ้าโยมแม่ห้ามคําเดียวว่าลูกอย่าทําอำคําว่าพุทธทาสไม่เกิดโลกจะไม่ได้รู้จักพระพุทธศาสนาในมิติที่มีชีวิตชีวาที่สุดอย่างที่ท่านพุทธทาสเผยแผ่เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเนี่ยที่ฉันเป็นพุทธทาสมาได้เป็นเนื้อเป็นตัวมาได้ และใครก็ตามที่ชื่นชมอัตมาภาเห็นว่าถ้าทําประโยชน์ได้ดีที่สุดครับอยากจะชมอัตมาขอให้ชมไปถึงโยมแม่ของอัตมาด้วยนั่นแหละแม่ของอัตมาสอนแล้วท่านพุทธท่านเนี่ยก็ได้อุปนิสัยหลายอย่างมาจากโยมมารดารอุปนิสัยอย่างหนึ่งคือความกระตันอยู่มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยท่านสั่งให้ลูกศิษสดลูกหาฤทธกิ่งไม้ที่สวนโมกลูกศเสดก็ถามว่าท่านอาจารย์สั่งให้ลูกิเสดฤทธกิ่งไม้ทําไมครับท่านพุทธท่าน พูดประโยคที่สาคัญมากทําให้ลูกเสร็จ ต, ต้องตึงไปท่านบอกว่าที่ฉันสั่งให้เธอเลสกิ่งไม้เนี่ยนะเพราะว่ากิ่งไม้บางกิ่งเนี่ยมันบังยอดเขาซึ่งยอดเขาลูกนั้นในบรรจุอั ฐ, ฐิคือกระดูกของโย ม, มารดากับโยมบิดาของท่านท่านก็จะอูต่อย ม, มารดาโยมิดาคือทุกวันที่ท่านเดิอนออกกําลังกาท่านจะมองดูยอดเขาที่บรรจุอั ฐ, ฐิคือกระดูกของมารดาบิดาของท่านครับถามว่าไปดูยอดเขาแล้วท่านทําทําไมครับท่านจะได้บอกโยมแม่ของท่านว่าโยมแม่โยมพ่อ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 โยมแม่ส่งอาหารกายถวายเป็นโตทุกวันครับครั บ, รบพระลูกชายเนี่ยเขียนโน้ตธรรมะนะวันละหนึ่งหัวข้อฝากใส่เป็นตส่งไปให้โยมแม่ส่งกลับไปให้ส่งกลับไปให้โยมแม่แมครับโยมแม่เลี้ยงกายของพระลูกชายรพระลูกชายเลี้ยงใจของโยมแม่อืมท่านกระตันยูต่อแม่ถึงขนาดนี้นะครับแต่วันหนึ่งท่านก็ยังบอกว่าอธตรมายังรู้สึกเสียใจอยู่ไม่หายที่ตอนนี้เป็นพระผู้ใหญ่รู้ธรรมะขั้นลึกๆอยากจะกลับไปสอนโยมแม่ครับ แต่ก็ไม่ทันยมไม่ชิงตายไปเสียก่อนอนึกแล้วก็ยังว้าเหวยอยู่ไม่หายครับท่านทาดีขนาดนี้ท่านยังบ่นว่ายังดีไม่พออที่เราน่าจะย้อนมาหาพวกเราว่าเราทําดีสู้ท่านได้ไหมนะครับแมนะ่พิฮาร์ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าจะาให้ผมพูดนะครับผมว่า <c oughs> ทุกวันศุกร์เนี่ยผมได้ฟังค่าการมาเทศหรือมาสุพนรธรรมกัยนะฮะทําให้จิตใ จ, ใจระเบิดบานถ้าจะย้อนถามว่า <c oughs> แล้วมันดาของ อาจารย์ละครับพ <c oughs> อ น, นี่ดูพระอาจารย์ยังไงถึงได้ไดมาเรียกว่ามาทำให้พวกเราเนี่ยนะฮะใจิตใจโปร่งใสกันในทุกวันสุขร์แบบนี้คงต้องเรียนถามพระอาจารย์ <c oughs> ครับโยมแม่ของอาตมาเนี่ยเป็นโยมผู้หญิงที่ใฝ่รู้มากครับเปิดรายการวิทยุทิ้งไว้ทั้งวันเลยนะตื่นแต่เช้าเนี่ยต้องมาได้ฟังรายการวิทยุแหลอเราลุกขึ้นมาทําความสะอาดบ้านเรือนเนี่โยมแม่ก็เปิดวิทยุทิ้งไว้ออกมองก็จะเปิดข่าว ของสถานีพิธีห่งประเทศไทยครับออรายการข่าวที่รายงานโดยคนปรีชาทรัพย์โสภา <โฮ S 2> อ่านข่าวหูจำได้จำ <c oughs> เรื่องอ่านข่าวเร็วยังกัรเข้าตอกแต่งนะฝังใจฝ <c oughs> ังใจว่าทำาจำฝังใจเลย <โฮ S 2> ครับแล้ว <โฮ S 2> มันเกิดอะไรขึ้นกับอาตมาอาตมากลายเป็นคนนี่ รู้เหตุการณ์บ้านเมืองโดยอัตโนมัติโอนี่ถึงกมู่พื้นฐานโดยโยแมู่พื้นโดยโยแม่ครับแล้ววันหนึ่งโยแม่ก็พาเราไปวัดไปวัดไปวัดเราก็ชอบพระชอบมัดเห็นว่าเออพระเหลืองนี่ทำไมมันมีเสน่ห์จังเลยตัมมาอยากบวชนะโยแม่ไม่เคยขอก็อยากบวชเองนะโดยอัตโนมัติครับแล้วเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ตัมมาบวชมาได้จนถึง20ปีหรือมีวันหนึ่งเนี่ยโยแม่ของตัมมาไปที่วัดครับแต่ท่านก็มองดูที่ที่หน้าโบสถ์นะมองดูที่หน้าโบสถ์แล้วท่่่าาาก็ํพึงวเีย แม่น่ยไม่รวยเหมือนชาวบ้านเขาจึงไม่ได้มีชื่อติดตามประตูตามหน้าต่างของโบสถ์เลยเราเป็นเนน้อยเราก็มันสื่อกอ่ะก็บอกว่าแล้วยมแม่จะเสียใจไปทําไมยมแม่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพประตูหน้าต่างวิหารอะไรแต่ยมแม่ได้ถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้ศาสนาแล้วเนี่ยนั่นคืออัลมาก็พร่องออกไปก็นี่ไงพานลูกชายเราก็พร่องออกไปแล้วก็ทําให้เราอ้าวเราเราสัญญากาโยมแม่โดยมืออื่นนะเนี่ยก็เลยก็เลยต้องบวชให้ยมแม่ ก็เลยตองบวชยาวแล้วก็มีมีมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ธรรมภาพประทับใจเพราะอะไรเพราะมีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยธตรมภาพได้ซื้อผ้าถุงให้ยับแม่ครับครับซื้อผ้าถุงซื้อผ้าถุงให้ยับแม่โอ้แม่ขาเขาตกไก่ะ้าอะไรมาซื้อผ้าถุงให้แม่หมองหัวขาจดเท้าเลยค่ะว่าเราซื้อผ้าถุให้คิกคือเราก็ไม่ได้บอกซื้อผ้าถุงให้ใครแต่พระมาซื้อผ้าถุงนี่แม่ขาหมองโอยเขามองกล่าว่าบันเนียดดาครบชุดเลยเลโอ้ยอย่างนั้นเลยนะเลียวพระจันท์พระจันท์ทไงเขาก็บอกนี่ เป็นพระเป็นเจ้ามันซื้อว่าถุงให้ผู้หญิงอ่ะมันเหมาะหรือเปล่าเนี่ยโอ้ใช่ไหมครับป่าเปิดฉากเลยโอยแม่ค้าเขาเขาเปิดฉากฉาอตมาเลยนะปะฉะดะเลยอตมาเขบอก <c oughs> ใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยตมาซื้อไปให้โยมแม่เนี่ยจะถึงวันแม่แล้วอพอรู้ว่าโยมแม่อุนน้ำตาแม่คะไหลเพอะเพาะเพาะอ้ยสาธุถ้าโยมมีลูกอย่างท่านนะโยมก็ไม่ได้มานั่งขายว่าถุงอยู่นี่หรอกโอ้โยมร้องไห้ อาตมาไปซื้อผืนเดียวแม่ค้าซึ้งแถมสามผืนเลยซื้อหแถมสามเปอร์คอนก็เป็นภาพพิมพ์ใจมากแล้วก็อาตมาคิดว่าประทับใจบเพราะในวันสุดท้ายที่โยมแม่ของอาตมาพิพสิ้นนะโยมแม่เนี่ยท่านท่านสิ้นในวันที่ท่านสิ้นเนี่ยท่านได้สวมผ้าถุงที่อาตมาซื้อให้อาตมาพิาคิดว่าถึงแม่เราไม่ได้อยู่เลี้ยงกาท่านแต่ชุดสุดท้ายที่โยมแม่สวนใสในการเดินทางไปสู่สัมปรายพโลกน่ะก็เป็นชุดที่อย่างน้อยพระลูกชายเคยซื้อให้แม่ ก็เป็นความภูมิใจที่ลูกได้ทําให้แม่ก็ประทับใจบแล้วก็อยากฝากถึงลูกลูกทั้งหลายว่ามารดายังมีชีวิตอยู่นั่นคือโชคดีของคุณคแต่โชคร้ายก็คือถ้าคุณยังไม่เคยกราบท่านนั่นคือโชคร้ายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแม่อยู่ก็ขอให้กลับไปกราบไปดูแลท่านซะแล้วก็ฝากทิ้งท้ายไว้ว่ากราบพระหมื่นอง์สนองค์แต่หากไม่เคยกราบพ่อกราบแม่ก็เท่ากับว่าไม่มีคุณค่าอะไรเลยครับผมพระอาจารย์ครับผมมีอยาก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 <ม>ตัวเราเนี่ยโครโมโซม X โครโมโซม Y ครับมาจากพ่อกับแม่มเพราะฉะนั้นแม่สิ้นแล้วแต่ว่าอนุาสาวรีย์ของแม่มันอยู่คือตัวเรารเวลาเขาชมเราเขาก็บอกว่าเนี่ลูกของแม่คนนั้น <โอ S 2> เวลาเขาด่าเราเขาก็บอกว่าเนี่ลูกของแม่คนนั้นครับ<ม><อ>เขาชมาก็กรชมถึงแม่เขาดา่าก็ด่าถึงแม่ดังนั้นจะทําความดีตอบแทนแม่ถึงแม่ไม่อยู่แต่อนุสาวรีย์ของแม่อยู่เป็นคนดีให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาเห็นนั่นแหละคือการตอบแทนพระคุณแม่ที่ดีที่สุดโอ้จริงจริง ซึงมากนะฮะนี่ผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อกี้หลวงพี่บอกว่าเวลาเขาชมก็ชมแม่คนนั้นแล้วด่าก็ด่าแม่คนนั้นจะชี้ไม่ชี้ชี้กมอชี้นนชชคุณฮานธรมาไม่ห่วงแล้ว ก็ถือว่าจิตใจบวกเบิกบ้านจริงๆนีครัวันนี้ยอดจริงๆครับวันนี้ต้องกราบขอพู้คุณพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพิฮาร์และพระอาจารย์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวแม่เรียกฉันไปถามว่าลูกจะสร้างโบสถ์แล้วมันมีแต่ป่าเนี้ย มันจะดีกว่าโบทของชาวบ้านได้ไงท่านก็บอกว่าโยมแม่โบทที่ลูกจะสร้างเนี่ยนะมันเป็นโบทที่ประดิษฐานอยู่ในหัวใจคนคือลูกจะสร้างโบทที่ไม่ต้องเปลืองอิฐไม่ต้องเปลืองปูนไม่ต้องเปลืองก้อนกรวดก้อ น, อนหินแม้แต่ก้อนเดียวแต่ลูกจะสร้างโบทสร้างวิหารในใจคนมแม่ท่าน เ, นเป็นแมท่ที่เสียงมากเพราะอะไรเพราะพ่อลูกชายได้คิดนอกกรอ บ, ร บ, รบแต่แม่เอาด้วย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 แล้วท่านพู้ตท่านเนี่ยก็ได้อุปนิสัยหลายอย่างมาจากโยมันดาอุปนิสัยอย่างหนึ่งคือความกระตันอยู่มีอยู่อันหนึ่งเนี่ยท่านสั่งให้ลูกศรษ์ลูกหาฤทธิ์กิ่งไม้ที่ส่วนโมกลูกศรษ์ก็ถามว่าท่านอาจารย์สั่งให้ลูกเศรษฐฤทธิ์กิ่งไม้ทําไมครับท่านพุทธท่านพูดประโยคที่สาาําคัญบางทําให้ลูกศรษฐต้องอึ้งไปท่านบอกว่าที่ฉันสั่งให้เธอฤทธิกิ่งไม้เนี่ยนะเพราะว่ากิ่งไม้บางกิ่งเนี่ยมันบังยอดเขา ซึ่งยอดเขาลูกนั้นในบรรจุอัฐิคือกระดูกของโย ม, มานดากับโยมบิดาของท่าน hmm. ท่านกตัญญูต่อย ม, มานดาโยมิดาคือทุกวันที่ท่านเดินออกกำลังกาท่านจะมองดูยอดเขาที่บรรจุอัฐิคือกระดูกของมารดาบิดาของท่านครั บ, รบถามมาไปดูยอดเขาแล้วท่านทำทำไมครับท่านจะได้บอกโยมแม่ของท่านว่าโยมแม่โยมพ่อถ้าลูกชายของโยมพ่อโยมแม่นี่ไม่เสียชาติเกิดนะ ที่ลูกมาบวชเองลูกได้ทาหน้าที่อย่างดีที่สุดจริงๆไม่เสียค่าเข้าแดงแกงร้อนของโยมแม่อของใครต่อใครที่มาเคารพนับถือลู ก, ลกจะทําดีจนนาทีสุดท้ายครท่านเขียนบันทึกไว้อย่างนั้นอแล้วมีวันแม่วันหนึ่งนะท่านเล่าไว้ครับท่านบอกว่าตอนที่ท่านยังเป็นท่านหนุ่มๆ น, นะอายุยี่สบหกยี่สบเจ็ดโยมแม่เนี่ยจะเอาเป็่นโตไปส่งแล้วท่านก็อตอบแทนโยมแม่ทำยังไงโยมแม่ส่งอาหารกายถวายเป็่นโตทุกวันคครครัับท่าลูกชายเนี่ย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 แต่ก็ไม่ทันยมไม่ชิงตายไปเสียก่อนอลึกแล้วก็ยังว้าเหวยอยู่ไม่หายครับท่านทําดีขนาดนี้ท่านยังบ่นว่ายังดีไม่พออนี่เราน่าจะย้อนมาหาพวกเราว่าเราทําดีสู้ท่านได้ไหมอนะครับแม่พิฮารครับแต่จริงๆแล้วเนี่นะฮะถ้าจะให้ผมพูดนะครับมผมว่าทุกวันศุกร์เนี่ยผมได้ฟังพอาจารย์มาเทศหรือมาสุทนาธรรมกันนะฮะทําให้จิตใจระเบิดบานถ้าจะย้อนถามว่าแล้วมันดาของ พระอาจารย์ละครับจริงจริงรดูพระอาจารย์ยังไงถึงได้ได้มาเรียกว่ามาทำให้พวกเราเนี่ยนะฮะจิตใจโปร่งใสกันในทุกวันสุกแบบนี้คงต้องเรียนถามพระอาจารย์ครับโยมแม่ของอาตมาเนี่ยเป็นโยมผู้หญิงที่ใฝ่รู้มากครับเปิดรายการวิทยุทิ้งไว้ทั้งวันเลยนะตื่นแต่เช้าเนี่ยตาภาพได้ฟังรายการวิทยุละเราลุกขึ้นมาทําความสะอาดบ้านเรือนนะโยมแม่ก็เปิดวิทยุทิ้งไว้6โมงก็จะเปิดข่าว ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยครับรายการข่าวที่รายงานโดยคุณปรีชาทรัพย์โสภา <โฮ S 2> อ่านข่าวโหดจำได้จำได้อ่านข่าวเร็วยังกับเข้าตอกแตกนะฝังใ จ, งใจอัตามาจำฝังใจเลยเพราะมันเกิอดอะไรขึ้นกับอาตมาอัตามากลายเป็นคนที่ รู้เหตุการณ์บ้านเมืองโดยอัตโนมัติโอ้นี่ถุงผู้พื้นโดยโยแม่ผูพื้นโดยโยแม่โอ้ครับแล้ววันหนึ่งโยแม่ก็พาเราไปวัดไปวัดไปวัดเราก็ชอบพระชอบวัดเห็นว่าเออพระเหลืองนี่ทําไมมันมีเสน่ห์จังเลยตัมมาอยากบวชนะโยแม่ไม่เคยขอก็อยากบวชเองอัตโดยอัตโนมัติครับแล้วเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้อัตมาบวชมาได้จนถึงยี่สิบปีคือมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยโยแม่ของอัตมาไปที่วัดครับแต่วท่านก็มองดูที่ที่หน้าบสถนะครับมองดูที่หน้าบสถแล้วท่่าาานนก็รํพึงวเี แม่น่ยไม่รวยเหมือนชาวบ้านเขา <Okay. S 2> จึงไม่ได้มีชื่อติดตามประตูตามหน้าต่างของโบสถ์เลย oh, รเราเป็นเนโน้ตเราก็มันสื่อมอ่ะ hmm. ก็บอกว่าแล้วยูแม่จะเสียใจไปทําไม hmm. ยูแม่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพประตูหน้าต่างวิหารอะไรแต่ยูแม่ได้ถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้าศาสนาแล้วเนี่ยนั่นก็คือครับอาดามัก็พุ่งออกไปก็นี่ไงพ้าลูกชาย oh. เราก็พ่อออกไปแล้วก็ทําให้เราเอา้าวเราเราสัญญาการยมแม่โดยมืออื่นนะเนี่ยอก็เลยก็เลยต้องบวชให้ยมแม่ก็เลยต้องบวชยาวแล้วก็มีมีมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ธรรมภาพประทับใจพ่ออะไรเพราะมีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยธรรมภาพได้ซื้อพรตถุงให้ยมแม่ ครับซื้อผ้าถุงซื้อผ้าถุงให้โยมแม่โอ้แม่ขาเขาตกใจพระอะไรมาซื้อผ้าถุงให้แม่อุ้มมองหัวโจทยเท้าเลยหาว่าเราซื้อผระถุงให้เค้กอะคือเราก็ไม่ได้บอกซื้อผ้าถุงให้ใครแต่พระมาซื้อผ้าถุงนี้แม่ขามององมองเขามองกล่าวรวันนี้ด่าครบชุดเลยนะโอ้ยางงั้นเลยนะเลียวพระชันทําไงนี่ เป็นพระเป็นเจ้ามาซื้อผ้าถุงให้ผู้หญิงมันเหมาะหรือเปล่าเนี่ยโอ้นี่ไหมครับป่เปิดฉากโอ้โหแม่ค้าเขาเขาเปิดฉากอาตมาเลยนะป่าด่าเลยมาเขาบอกใจเย็นๆเดี๋เดี๋ยวอาตมาซื้อไปให้โยมแม่เนี่ยจะถึงวันแม่แล้วพอรู้ว่าโยมแม่อูน้ำตาแม่ค้านไหลเพาะเพาะเพาะอ้โหสาธุถ้าโยมมีลูกอย่างท่านนะโยมก็ไม่ได้มานั่งขายผ้าถุงอยู่นี่หรอกโอ้โยมร้องไห้ อาตมาไปซื้อผืนเดียวแม่ค้าซึ้งแถมสามผืนเลย 3, ซื้อถึงแถมสามเนสุดคนก็เป็นภาพพิมพ์ใจมากแล้วก็อาตมาคิดว่าประทับใจบเพราะในวันสุดท้ายที่โยมแม่ของอาตมาภาพสิน้นโ oh, ยมแม่เนี่ยท่านท่านสิน้นในวันที่ท่านสิ้นเนี่ยท่านได้สวมผ้าถุงที่อาตมาซื้อให้อาตมาคิดว่าถึงแม้เราไม่ได้อยู่เลี้ยงกาท่านแต่ชุดสุดท้ายที่โยมแม่สวใส่ในการเดินทางไปสู่สัมปรายภพโลกน่ะก็เป็นชุดที่อย่างน้อยพระลูกชายเคยซื้อให้มแม่ครับ ก็เป็นความภูมิใจที่ลูกได้ทํำให้แม่ก็ประทับใจแล้วก็อยากฝากถึงลูกลูกทั้งหลายว่ามารดายังมีชีวิตอยู่นั่นคือโชคดีของคุณแต่โชคร้ายก็คือถ้าคุณยังไม่เคยกอดท่านนั่นคือโชคร้ายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแม่อยู่ก็ขอให้กลับไปกราบไปดูแลท่านซะแล้วก็ฝากทิ้งท้ายไว้ว่ากราบพระหมื่นองคศสนองแต่หากไม่เคยกราบพ่อกราบแม่ก็เท่ากับว่าไม่มีคุณค่าอะไรเลยครับครับพระอาจารย์ครับผมมีอยาก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 ตัวเราเนี่ยโครโมโซม X โครโมโซม Y ครับมาจากพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นแม่สิ้นแล้วแต่ว่าอนุสาวรีย์ของแม่ยังอยู่คือตัวเราครับเวลาเขาชมเราเขาก็บอกว่าเนี่ลูกของแม่คนนั้นเวลาเขาด่าเราเขาก็บอกว่าเนี่ลูกของแม่คนนั้นเขาชมก็คือชมถึงแม่เขาด่าก็ด่าถึงแม่ดังนั้นจะทำความดีตอบแทนแม่ถึงแม่ไม่อยู่แต่อนุสาวรีย์ของแม่อยู่เป็นคนดีให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาเห็นนั่นแหละคือการตอบแทนพระคุณแม่ที่ดีที่สุดโอ้จริงจริง ซึ้งมากนะครอันนี้ผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อกี้หลุงพี่บอกว่าเวลาเขาชมก็ชมแม่คนนั้นแล้ด่ากระด่าแม่คนนั้นจะชี้ไม่ชี้ชี้กันที่คุณฮานธารมาไม่ห่วงแล้วก็ถือว่าจิตใจบวกเบิกบานจริงๆไม่รับวันนี้ยอดจริงๆครับวันนี้ต้องกราบขอผู้คุณฟาจารีกครั้งหนึ่งนะครับ เอาละครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพิฮารและพระาจารย์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแม่ของอัตมา ด, ด้วยนั่นแหละแม่ของอัตมาสอนแล้วท่านผู้ต ท, ท่าเนี่ยก็ได้อุปนิสัยหลายอย่างมาจากโย ม, มันดาอุปนิสัยอย่างหนึ่งคือความกระตันโย มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยท่านสั่งให้ลูกเศรษ์ลูกหาฤทธิ์กิ่งไม้ที่ส่วนโมกลูกเศรษฐก็ถามว่าท่านอาจารย์สั่งให้ลูกเศรษฐฤทธิ์กิ่งไม้ทําไมครับท่านพุทธท่านพูดประโยคที่สาําคัญมากทาให้ลูกเศรษฐต้องอึง้งไปท่านบอกว่าที่ฉันสั่งให้เธอฤทธิ์กิ่งไม้เนี่ยเพราะว่ากิ่งไม้บางกิ่งเนี่ยมันบังยอดเขาซึ่งยอดเขาลูกนั้นในบรรจุอัฐิคือกระดูกของโยมมารดากับโยมบิดาของท่านอ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 ท่านเขียนบันทึกเอาไว้อย่างนั้นอแล้วมีวันแม่วันหนึ่งนะท่านเล่าไว้ครับท่านบอกว่าตอนที่ท่านยังเป็นพรา น, นุ่มๆนะอายุ26 27โยมแม่เนี่ยจะเอาเป็่นโตไปส่งครับแล้วท่านก็อตอบแทนโยมแม่ทำยังไงโยมแม่ส่งอาหารกายถวายเป็่นโตทุกวันคครรัับบท้าลูกชายเนี่ยเขียนโน้ตธรรมะนะวันละหนึ่งหัวข้อฝากใส่เป็่นโตส่งไปให้โยมแม่ส่งกลับไปให้โยมแม่ครับ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 แล้มันเกิด อ, อะไรขึ้นกับตมาอาตมากลายเป็นคนที่รู้เหตุการณ์บ้านเมืองโดยอัตโนมัติโอนี่สูงผูพื้นฐานโดยโยแม่ผู้พื้นโดยโยแม่โอ้ครับแล้ววันหนึ่งโยแม่ก็พาเราไปวัดไปวัดไปวัดเราก็ชอบพระชอบวัดเห็นว่าเออผ้าเหลืองนี่ทําไมมันมีสเสน่ห์จังเลยตมาอยากบวชนะโยโมแม่ไม่เคยข อ, อก็อยากบวชเองโดยอัตโนมัติครับแล้วเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้อาตมาบวชมาได้จนถึง20ปีหรือมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยโยแม่ของอาตมาไปที่วัดครับแต่เขาก็มองดูที่ที่หนน้าบ มองดูที่หน้าโบสถ์แล้วท่านก็ราพึงว่าเนี่ยแม่น่ยไม่รวยเหมือนชาวบ้านเขาจึงไม่ได้มีชื่อติดตามประตูตามหน้าต่างของโบสถ์เลยเราเป็นเนรน้อยเราก็มันเสื่อกอ่ะก็บอกว่าแล้วยมแม่จะเสียใจไปทําไมอยู่แม่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพประตูหน้าต่างบริหารอะไรแต่ยมแม่ได้ถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้ศาสนาแล้วเนะ่ยนั่นก็คืองครับอาตมาก็พร่งออกไปก็นี่นะพาลูกชาย เราก็พ่อออกไปแล้วก็ทำให้เราเอ้าวเราเราสัญญาการยมแม่โดยมืออื่นนะเนี่ยอก็เลยก็เลยต้องบวชให้ยมแม่ก็เลยต้องบวชยาวแล้วกม็มีมีมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ธรตมภาพประทับใจเพราะอะไรเพราะมีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยธรรมภาพได้ซื้อพระถุงให้ยมแม่ ครับซื้อผ้าถุงซื้อผ้าถุงให้โยมแม่โอ้แม่ขาเขาตกใจพะอะไรมาซื้อผ้าถุงให้แม่อุ้มมองหัวโจทยเท้าเลยฮะว่าเราซื้อผ้าถุงให้เค็กอะคือเราก็ไม่ได้บอกซื้อผ้าถุงให้ใครแต่พระมาซื้อผ้าถุงนี่แม่้าหมองหมองหมูเขามองการวันเนี้ยด่าครบชุดเลยเนอะอย่างนั้นเลยนะแ้วพระจันพระชันทำไงเขาบอกนี่ เป็นพระเป็นเจ้ามาซื้อผ้าถุงให้ผู้หญิงอ่ะมันเหมาะหรือเปล่าเนี่ยโอ้เนี่ยไหมครับป้าเปิดฉากอ้ยแม่ค้าเขาเขาเปิดฉากอาตมาเลยนะปะฉะดะเลยอาตมากขาบอกใจเย็นเดี๋ยวเดยวอาตมาซื้อไปให้โยมแม่เนี่ยจะถึงวันแม่แล้วอพอรู้ว่าโยมแม่โอ้ยน้ําตาแม่ค้าไหลเพาะเพาะเพาะอ้ยสาธุถ้าโยมมีลูกอย่างท่านนะโยมก็ไม่ได้มานั่งขายผ้าถุงอยู่นี่หรอกโอ้โยมร้องไห้ อาตมาไปซื้อผืนเดียวแม่ค้าซึ้งแถมสา <c oughs> มผืนเลยซื้หนึ่ง <c oughs> แถมสามเป็นสรก็เป็นภาพพิมพ์ใจมากแล้วก็อาตมาคิดว่าประทับใจบเพราะในวันสุดท้ายที่โยมแม่ของอาตมาพิาพสิ้นนะโยมแม่เนี่ยท่านท่านสิ้นในวันที่ท่านสิ้นเนี่ยท่านได้สวมผ้า ถ, ถุงที่อาตมาซื้อให้ออาตมาคิดว่าถึงแม้เราไม่ได้อยู่เลี้ยงแต่ท่านแต่ชุดสุดท้ายที่โยมแม่สวนใสในการเดินทางไปสู่สัมปรยายพบโลกหน้าก็เป็นชุดที่อย่างน้อยพระลูกชายเคยซื้อให้แม่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 ซึงมากนะฮะอันนี้ผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่อคุณชมหลายๆท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อกี้หลงพี่บอกว่าเวลาเขาชมก็ชมแม่คนนั้นแล้วด่าก็ด่าแม่คนนั้นแต่ชี้่ชี้ชี้ตอนชมชี้คนหานธรมาไม่ห่วง้วกจิตใจบวกเบิกบานจริงๆนวันนี้ยอดจริงๆครับผมต้องกราบขอบพระคุณฟาจาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ เอาละครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพิฮาร์และพระอาจารย์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับที่ไปนอนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดจริงๆไม่เสียค่าข้าวแดงแกงร้อนของยมแม่ของใครต่อใครที่มาเคารพนับถือลูกลูกจะทำดีจนนาทีสุดท้ายท่านเขียนบันทึกเอาไว้ยอย่างนั้น แล้วมีวันแม่วันหนึ่งนะท่านเล่าไว้ท่านบอกว่าตอนที่ท่านยังเป็นพานหนุ่มๆนะอายุ26 27โยมแม่เนี่ยจะเอาปินโตไปส่งแล้วท่านก็ตอบแทนโยมแม่ทำยังไงโยมแม่ส่งอาหารกายถวายปินโตทุกวันรรพระลูกชายเนี่ย เขียนโน้ตธรรมะนะวันละหนึ่งกวข้อฝากใส่เป็นตัวส่งไปให้โยมแม่ส่งกลับไปให้ส่งกลับไปให้โยมแม่แมครัโยมแม่เลี้ยงกายของพระลูกชายรพระลูกชายเลี้ยงใจของโยมแม่ออืท่านกระตันยูต่อแม่ถึงขนาดนี้นะครับแต่วันหนึ่งท่านก็ยังบอกว่าอัตามา ย, ยังรู้สึกเสียใจอยู่ไม่หายที่ตอนนี้เป็นพระผู้ใหญ่รู้ธรรมะขั้นลึกๆอยากจะกลับไปสอนโยมแม่ครับ แต่ก็ไม่ทันยมแม่ชิงตายไปเสียก่อนอนึกแล้วก็ยังว้าเวยอยู่ไม่หายครับท่านทาดีขนาดนี้ท่านยังบ่นว่ายังดีไม่พออเนี่ยเราน่าจะย้อนมาหาพวกเราว่าเราทําดีสู้ท่านได้ไหอะนะครับแมพี่หาร์ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าจะให้ผมพูดนะครับผมว่าทุกคนสุขเนี่ยผมได้ฟังฟาจานมาเทศหรือมาสุขนาธรรมกันเลยนะฮะทำให้จิตใจระเบิดบานถ้าจะย้อนถามว่าแล้วมันดาของ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 สถานีทีวียูแห่งประเทศไทยครับรายการข่าวที่รายงานโดยคุณปรีชาทรัพย์โสภาอ่านข่าวโูจำได้จำได้อ่านข่าวเร็วยังกัะเข้าตอกแตงนะฝังใจอจตมาจําฝังใจเลยครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับอาตมาอาตมากลายเป็นคนที่รู้เหตุการณ์บ้านเมืองโดยอัตโนมัติโอ้นี่ถูกปูพื้นฐานโดยโยมแม่ปูพื้นโดยโยมแม่ครับครับแล้ววันหนึ่งโยมแม่ก็พาเราไปวัดไปวัดแไปวัดเราก็ชอบพระชอบวัดเห็นว่าเออพระเหลืองนี่ทาไมมันมีเสน่ห์จังเลยอาตมาอยากบวชนะโยมแม่ไม่เคยขอ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 โยมแม่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพประตูหน้าต่างวิหารอะไรแต่โยมแม่ได้ถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้าศาสนาแล้วเนี่ยนั่นก็คืออัลมาลก็พร้องออกไปก็นี่งไงพระลูกชายเราก็พร่องออกไปแล้วก็ทําให้เราเอ้าวเราเราสัญญาการโยมแม่โดยมืออื่นนะเนี่ยอก็เลยลก็เลยต้องบวชให้โยมแม่ก็เลยต้องบวชยาวแล้วก็มี ม, มีมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ธรรมภาพประทรับใจเพราะอะไรเพราะมีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยธรรมภาพได้ซื้อวมาถึงให้โยมแม่ ครับซื้อผ้าถุงซื้อผ้าถุงให้โยมแม่โอ้แม่้าเขาตกไกลพลาอะไรมาซื้อผ้าถุงให้แม่อ้มองหัวโจ๋เท้าเลยฮว่าเราซื้อผ้ตถุให้กิ๊กอะคือเราก็ไม่ได้บอกซื้อผ้าถุงให้ใครแต่พระมาซื้อผ้าถุงนี้นะ่ค้ามองมองคืยเขามองกลับว่าวันนี้ด่าครบชุดเลยนะโอ้ย่างั้นเลยนะแล้วพระจันทร์พระจันทร์ทำไงเขาก็บอกนี่ เป็นพะเป็นเจ้ามาซื้อผ้าถุงให้ผู้หญิงอ่ะมันเหมาะหรือเปล่าเนี่ยโอ้เนี่ยไหมครับป่าเปิดฉากอ้ยแม่ค้าเขาเขาเปิดฉากฉาตมาเลยนะปะาฉาดเลยครตมเขาบอกใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวตามซื y, ้อไปให้โยแม่เนี่ยจะถึงวันแม่แล้วพอรู้ว่าโยแม่อู้นน้าตาแม่ค้าไหลเพาะเพาะเพะโอ้ยสาธุถ้าโยมมีลูกอย่างท่านนะโยมก็ไม่ได้มานั่งขายผ้าถุงอยู่นี่หรอกโอ้โยมมันร้องไห้ อาตมาไปซื้อผืนเดียวแม่ค้าซึ้งแถมสามผืนเลยซหนึ่งแถมสามเป็นชุดคนก็เป็นภาพพิมพ์ใจมากแล้วก็อาตมาคิดว่าประทับใจเพราะในวันสุดท้ายที่โยมแม่ของอาตมาพิสิ้นโยมแม่เนี่ยท่านท่านสิ้นในวันที่ท่านสิ้นน่ยท่านได้สวมผ้าถงที่อาตมาซื้อให้อาตมาคิดว่าถึงแม้เราไม่ได้อยู่เลี้ยงกายท่านแต่ชุดสุดท้ายที่โยมแม่สวมใส่ในการเดินทางไปสู่สัมปรายภพโลกน่ะก็เป็นชุดที่อย่างน้อยพระลูกชายเคยซื้อให้แม่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 ตึงมากนะครับนี้ผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่ อ, อคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันนะครแต่เมื่อกี้หลุงพี่บอกว่าเวลาเขาชมก็ชมแม่คนนั้นรลดาก็ด่ า, ดาแม่คนนั้นแต่ชี้ไม่ชี้ชีอนชมชีคุณหารดตมาไม่ห่วงเราโอ้สนุกครับจิตใจโบกเบิกบานจริงๆนะครัวันนี้ยอดจริงๆครับวันนี้ต้องกราบขอพระคุณป้าจานอีกครั <c oughs> ้งหนึ่งนะครับ เอาละครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพี่ฮาและพระอาจารย์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเเสีย ใ, ใจอยู่ไม่หายที่ตอนนี้เป็นพระผู้ใหญ่รู้ธรรมะขั้นลึกๆเยาจะกลับไปสอนยมแม่ แต่ก็ไม่ทันยมแม่ชิงตายไปเสียก่อนนึกแล้วก็ยังว้าเหวยอยู่ไม่หายครับท่านทาดีขนาดนี้ท่านยังบ่นว่ายังดีไม่พอเนี่ยเราน่าจะย้อนมาหาพวกเราว่าเราทําดีสู้ท่านได้ไหมนะครับแมพี่ฮาครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าจะให้ผมพูด น, นะครับผมว่าทุกคนสุขเนี่ยผมได้ฟังพระอาจารย์มาเทศหรือมาสุพนาธาธรรมเนยนะฮะทําให้จิตใจระเบิดบานถ้าจะย้อนถามว่าแล้วมันดาของ พระอาจารย์ละครับลีนดูพระอาจารย์ยังไงถึงได้ได้มาเรียกว่ามาทําพวกเราเนี่ยนะฮะติดใจโปร่งใสกันในทุกวันสุขแบบนี้คงต้องเรียนถามพระอาจารย์ครับโยมแม่ของอาตมาเนี่ยเป็นโยมผู้หญิงที่ใฝ่รู้มากครับเปิดรายการวิทยุทิ้งไว้ทั้งวันเลยนะตื่นแต่เช้าเนี่ยอาตมาได้ฟังรายการวิทยุล่ะอืเราลุกขึ้นมาทําความสะอาดบ้านเรือนนีโยมแม่ก็เปิดวิทยุทิ้งไว้6โมงก็จะเปิดข่าว ของสถานีพิธียูแห่งประเทศไทยครับรายการข่าวที่รายงานโดยคนปรีชาทรโสภา<ฮ>อ่านข่าวหูยงจำได้จำเรืนะ่อะอ่านข่าวเร็วยังกับข้าตอกแตงนะฝังใ จ, งใจอตมาจำฝังใจเลย<ฮ>ครับแล้มันเกิด อ, อะไรขึ้นกับอาตมาอัตมากลายเป็นคนที่ รู้เหตุการณ์บ่านเมืองโดยอัตโนมัติโหนี่ถูกปูพื้นฐานโดยโยมแม่ปูพื้นโดยโยมแม่ครับและวันหนึ่งโยมแม่ก็พาเราไปวัดไปวัดไปวัดเราก็ชอบพระชอบวัดเห็นว่าเออพระ้าเหลืองนี่ทําไมมันมีเสน่ห์จังเลยตั้มาอยากบวชนะโยมแม่ไม่เคยขอครับก็อยากบวชเองนะโดยอัตโนมัติครับแล้วเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้อาตมาบวชมาได้จนถึง20่สิบปีคือมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยโยมแม่ของอาตมาไปที่วัดครับแต่ท่านก็มองดูที่ที่หน้าโบสถ์นะครัมองดูที่หน้าโบสถ์แล้วท่่่าาานก็ํึงวเีย แม่น่ยไม่รวยเหมือนชาวบ้านเขา hmm. จึงไม่ได้มีชื่อติดตามประตูตามหน้าต่างของโบสถ์เลย oh, เราเป็นเนนน้อยเราก็มันสื่อมอ่กอะ hmm. ก็บอกว่าแล้วยมแม่จะเสียใจไปทําไมอ hmm. ยมแม่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพประตูหน้าต่างวิหารอะไรแต่ยมแม่ได้ถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้ศาสนาแล้วเลยนั่นก็คือครับอัลมาก็พร่องออกไปก็นี่ไงท้าลูกชาย oh. เราก็พ่องออกไปแล้วก็ทําให้เราเอา้าวเราเราสัญญาการยมแม่โดยมืออื่นนะเนี่ยอ oh. ก็เลย oh. ก็เลยต้องบวชให้ยมแม่ oh. ก็เลยต้องบวชยาว oh. แล้วก็มีมีมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ธรรมภาพประทับใจพ่ออะไรเพราะมีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยธรรมภาพไปซื้อวระสงให้ยมแม่ ครับซื้อผ้าถุงซื้อผ้าถุงให้โยมแม่องค์แม่ค้าเขาจกใจท้าอะไรมาซื้อผ้าถุงให้แม่อุ้มบองหัวโจดเท้าเลยค่ะว่าเราซื้อผ้าถุงให้คิงอะคือเราก็ไม่ได้บอกซื้อผ้าถุงให้ใครแต่พระมาซื้อผ้าถุงนี้แม่ค้าหมองหมองชั่วโมงกาว่าวันนี้ด่าครบชุดเลยนเอย่างนั้นเลยนะอาจาระยนทําไงครับเกบอนี่ เป็นพระเป็นเจ้ามาซื้อว่าถุงให้ผู้หญิง่งมันเหมาะหรือเปล่าเนี่ยโอ้นี่ยไหมครับป่าเปิดฉากเลยโอ้ยแม่ครับเขาเขาเปิดฉากอาตมาเลยนะปะฉาดะเลยแต่มาเขาบอกใจเย็นเดี๋ยวเดีอาตมาซื้อไปให้โยมแม่เนี่ยจะถึงวันแม่แล้วพอรู้ว่าโยมแม่โอ้ยน้ําตาแม่ครับไหลเพาะเพาะเพะโอ้ยสาธุอถ้าโยมมีลูกอย่างท่านนะโยมก็ไม่ได้มานั่งขายว่าถุงอยู่นี่หรอกโอโยมร้องไห้ อาตมาไปซื้อผืนเดียวแม่ค้าซึ้งแถมสามผืนเลยซือหึแถมสามเป็นทุกคนก็ oh. Oh. Oh. เป็นภาพพินใจมากแล้วก็อาตมาคิดว่าประทับใจ oh. เพราะในวันสุดท้ายที่โยมแม่ของอาตมาภาพสิ้นนะโยมแม่เนี่ยท่านท่านสิ้นในวันที่ท่านสิ้นเนี่ยท่านได้สวมผ้าถุงที่อาตมาซื้อให้ hmm. อาตมาภาพคิดว่าถึงแม้เราไม่ได้อยู่เลี้ยงกายท่านแต่ชุดสุดท้ายที่โยมแม่สวมใส่ในการเดินทางไปสู่สัมปรายภาพโลกหน้า oh. ก็เป็นชุดที่อย่างน้อยพระลูกชายเคยซื้อให้แม่ครับ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 ถาส่วนตัวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลที่ตอนนี้คุณแม่เสียไปแล้วแต่อยากจะทำมาให้คุณแม่สักอย่างหนึ่งแต่ไม่มีโอกาสได้ทำเพราะว่าไม่มีแม่แล้วเนี่ยเราจะมีวุธีไหนสนามารถทำได้บ้างครับพระอาจารย์อาจารย์คิดว่าง่ายที่สุดเพราะว่าตัวเราก็คือนุกสาวรีของแม่ใช่ไหม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 ซึ่งมากนะฮะนี่ผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อกี้รลงพี่บอกว่าเวลาเขาชมก็าชมแม่คนนั้นแล้วด่าก็ด่าแม่คนนั้นแต่ชี้นี่ชี้ชี้ตอนชมชี้ชคุณฮานธรตมมาไม่ห่วงแล้ว ก็ถึงว่าจิตใจบวกเบิกบานจริงๆวิหคุันนี้ยอดจริงๆครับวันต้องกราบขอผู้คุณพระอาจารย์อีกครั้งนึงนะครับหมดแล้วครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพิฮาร์และพระอาจารย์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครัใส่กันในทุกคอนสุขแบบนี้คงต้องเรียนถามฟาจารครับโยมแม่ของอาตมาเนี่ย เป็นโยมผู้หญิงที่ไฝ่รู้มากเปิดรายการวิทยุทิ้งไว้ทั้งวันเลยนะตื่นแต่เช้าเนี่ยตาภาพได้ฟังรายการวิทยุละเราลุกขึ้นมาทำความสะอาดบ้านเรือนโะยมแม่ก็เปิดวิทยุทิ้งไว้6กมงก็จะเปิดข่าวของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย รายการข่าวที่รายงานโดยคุณปรีชาทรัพย์โสภาอ่านข่าวหูจำได้ื่องนีอ่านข่าวเร็วยังกับเข้าตกแตกนะฝังใจอาตมาจําฝังใจเลยครับแล้วมันเกิอะไรขึ้นกับอาตมาอาตมากลายเป็นคนที่รู้เหตุการณ์บ้านเมืองโดยอัตโนมัติโอนี่สูงผูพื้นฐานโดยโยมแม่ผูพื้นโดยโยมแม่โอครับแล้ววันหนึ่งโยมแม่ก็พาเราไปวัดไปวัดไปวัดเราก็ชอบพระชอบวัดเห็นว่าเออผ้าเหลืองนี่ทําไมมันมีเสน่ห์จังเลยอาตมาอยากบวชนะโยมแม่ไม่เคยขอ ก็อยากบวชเองอโดยอัตโนมัติแล้วเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ัตภาพบวชมาได้จนถึงยี่สบปีคือมีวันหนึ่งเนี่ยโยมแม่ของนัตามาไปที่วัดแต่ท่านก็มองดูที่ที่หน้าโบสถ์นะมองดูที่หน้าบสแล้วท่านก็รำพึงว่าเนี่ยแม่น่ยไม่รวยเหมือนชาวบ้านเขาจึงไม่ได้มีชื่อติดตามประตูตามหน้าต่างของโบสถ์เลยเราเป็นเลนน้อยเราก็มันสะดือก็บอกว่าแล้วโยมแม่จะเสียใจไปทาไม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 ซื้อผ้าถุงซื้อผ้าถุงให้ยอมแม่อุ้มแม่้าเขาตกใจพะอะไรมาซื้อผ้าถุงให้แม่อุ้มมองหัวเขาโจ๋เท้าเลยฮะว่าเราซื้อผ้าถุงให้คล๊กอ่ะคือเราก็ไม่ได้บอกซื้อผ้าถุงให้ใครแต่พระมาซื้อผ้าถุงนี่แม่ค้ามองอมอามองกะว่าวันเนี้ด่าครบชุดเลยนะอย่างนั้นเลยเดี๋ยวประชันประชันทำไงนี่ เป็นพระเป็นเจ้ามาซื้อมาถุงให้ผู้หญิงอ่ะมันเหมาะหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแม่ครับป่าเปิดฉากเลยโอ้ยแม่ครับเขาเขาเปิดฉากอาตมาเลยนะปะขะดะเลยตมาเขาบอกเชยเย็นเดียวเดียวตมาซื้อไปให้โยมแม่เนี่ยจะถึงวันแม่แล้วพอรู้ว่าโยมแม่อูน้ำตาแม่ครับไหลเพาะเพาะเพะโอ้ยสาธุถ้าโยมนี่ลูกอย่างข้านะโยมก็ไม่ได้มานั่งขายว่าถุงอยู่นี่หรอกโอ้โยมร้องไห้ อาตมาไปซื้อผืนเดียวแม่ค้าซึ้งแถมสามผืนเลยซื้ห <c oughs> นึ่งแถมสามเป็นเชิงก็เป็นภาพพิมพ์ใจมากแล้วก็อาตมาคิดว่าประทับใจใเพราะในวันสุดท้ายที่โยมแม่ของอาตมาภาพสิ้นโยมแม่เนี่ยท่านท่านสิ้นในวันที่ท่านสิ้นเนี่ยท่านได้สวมพระถุงที่อาตมาซื้อให้อาตมาคิดว่าถึงแม้เราไม่ได้อยู่เลี้ยงแต่ท่านแต่ชุดสุดท้ายที่โยมแม่สวนใส่ในการเดินทางไปสู่สัมปะรยภพโลกหน้าก็เป็นชุดที่อย่างน้อยพระลูกชายเคยซื้อให้แม่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 มากนะฮะนี่ผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อกี้หลวงพี่บอกว่า <ใช S 1> <ส>เวลาเขาชมเขาชมแม่คนนั้นแลด่าก็ด่าแม่คนนั้นจัด ช, ชี้นม่ชี้ชี้ ช, ออชมชี้คุณฮานดามาไม่ห่วงแล้ว <laughs>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 รู้เหตุการณ์บ้านเมืองโดยอัตโนมัติปู่พื้นฐานโดยโยแม่ปู่พื้นโดยโยแม่ครับแล้ววันหนึ่งโยแม่ก็พาเราไปวัดไปวัดไปวัดเราก็ชอบพระชอบวัดเห็นว่าเออพ้าเหลืองนี่ทําไมมันมีเสน่ห์จังเลยตระมาอยากบวชนะโยแม่ไม่เคยขอก็อยากบวชเองอ่ะโดยอัตโนมัติครับแล้วเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ตระมาบวชมาได้จนถึงยี่สิบปีคือเมื่วันหนึ่งเนี่ยโยแม่ของตระมาไปที่วัดครับแต่ท่านก็มองดูที่ที่หน้าบสถนะมองดูที่หน้าบสถแล้วท่านก็รําพึงว่าเนี่ย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 อาตมาก็พาะออกไปก็นี่ไงพรานลูกชายเราก็เพาะออกไปแล้วก็ทำให้เราเอา้าวเราเราสัญญากับโยมแม่โดยมืออื่นนะเนี่ยก็เลยก็เลยต้องบวชให้โยมแม่ก็เลยต้องบวชยาวแล้วก็มีมีมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่อาตมาประทับใจเพราะอะไร เพราะมีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยธรรมภาพได้ซื้อผ้าถุงให้ยอมแม่ครับครับซื้อผ้าถุงซื้อผ้าถุงให้ยอมแม่โอ้แม่ขาเขาตกใจพระอะไรมาซื้อผ้าถุงให้แม่โอ้โอโออมองหัวโจ๋เท้าเลยหาว่าเราซื้อผ้าถุให้กิ๊งอะคือเราก็าไม่ได้หมอซื้อผ้าถุงให้ใครแต่พระมาซื้อผ้าถุงนี้แม่ขามองมองโยเขามองกล่าว่าวันนี้ด่าครบชุดเลยนะโอยอย่างนั้นเลยนะพระจันทร์พระจันทราทำไงครับนี่ เป็นพระเป็นเจ้ามาซื้อพราถุงให้ผู้หญิงไงมันเหมาะหรือเปล่าเ น, นี่ยโอ้ใช่ไหมครับป่าเปิดฉากเลยโอยแม่ค้าเขาเขาเปิดฉากอาตมาเลยนะปะฉากด่เลยอาตมาเขบอกใจเ ย, ย็นเดี๋ยวเดี๋อาตมาซื้อไปให้โยมแม่เน<อ>ี่จะถึงวันแม่แล้วอพอรู้ว่าโยมแม่อู่นน้ำตาแม่ค้ไหลเพาะเพาะเพาะโอยสารุตรถ้าโยมมีลูกอย่างข้างนีโยมก็ไม่ได้มานั่งขายพราถุงอยู่นี่หรอกโอ้โยมร้องไห้ อาตมาไปซื้อผืนเดียวแม่คะซึ้งแถมสามผืนเลยซื้อหแถมสามเป็นสิ่งพนก็เป็นภาพพิมพ์ใจมากแล้วก็อาตมาคิดว่าประทับใจบเพราะในวันสุดท้ายที่โยมแม่ของอาตม า, าพิพากษ์สิ้นโยมแม่เนี่ยท่านท่านสิ้นในวันที่ท่านสิ้นเนี่ยท่านได้สวมพระถุง ท, ที่อาตมาซื้อให้อาตมาคิดว่าถึงแม้เราไม่ได้อยู่เลี้ยงแต่ท่านแต่ชุดสุดท้ายที่โยมแม่สวมใส่ในการเดินทางไปสู่สัมปะรยาภพลกหน้าก็เป็นชุดที่อย่างน้อยพระลูกชายเคยซื้อให้แม่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 ซึ้งมากนะฮะอันนี้ผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่อผู้ชมหลายๆท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อกี้ลุงพี่บอกว่าเวลาเขาชมเขาชมแม่คนนั้นระด่าก็ด่าแม่คนนั้นแต่ชี้ไม่ชี้ชี้ก่นชมชีคุณฮาร์ดจมาไม่ห่วงแล้วโอ้สนุจิตใจโบกเบิกบานจริงๆนะฮาวันนี้ยอดจริงๆครับวันนี้ต้องกราบเขอพู้คุณฟาจาย์อีกครั้งหนึ่งนะครับ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 โยมแม่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพประตูหน้าต่างวิหารอะไรแต่โยมแม่ได้ถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้าศาสนาแล้วเนี่นั่นก็คือครับอาตมาก็พโลงออกไปก็นี่งไงพาลูกชายเราก็พ่องออกไปแล้วก็ทําให้เราเอ้าว เ, เราเราสัญญากับโยมแม่โดยมืออื่นนะเนี่ยอก็เลยก็เลยต้องบวชให้โยมแม่ก็เลยต้องบวชยาวแล้วก็มีมีมีอยู่เหตุการณ์นหนึ่งที่อาตมาประทับใจเพราะอะไร เพราะมีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยธตรมาภาเษกไซื้อพระถุงให้ยอมแม่ครั บ, รบซื้อผระถุงซื้อพระถุงให้ยอมแม่โอ้แม่ค้าเขาจดใจพระอะไรมาซื้อพระถุงให้แม่โอ้มองหัวโจ๋เท้าเลยฮะ ว, ว่าเราซื้อพระถุงให้กิ๊งอะคือเราก็ไม่ได้บอกซื้อพระถุงให้ใครแต่พระมาซื้อผระถุงนี้แม่ค้ า, ม อ, ามองมองอั่วามองกล่าว่าวันนี้ด่าครบชุดเลยนะ อ, อย่างนั้นเลยนะอย่างนั้นเลพระจันทร์ทำไงนี่ เป็นร้าเป็นเจ้ามาซื้อผ้าถุงให้ผู้หญิงอ่ะมันเหมาะหรือเปล่าเนี่ยโอ้ใช่ไหมครับป่เปิดฉากโอ้ยแม่ค้าเขาเขาเปิดฉากฉาอัตมาเลยนะปะฉาดเลยแตมาเขาบอกใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวอัตมาซื้อไปให้โยมแม่เนี่ยจะถึงวันแม่แล้วพอรู้ว่าโยมแม่โอ้ยน้ำตาแม่ค้าไหลเพาะเพาะเพะโอ้สาธุถ้าโยมมีลูกอย่างท่านนะโยมก็ไม่ได้มานั่งขายผ้าถุงอยู่นี่หรอโอ้โยมร้องไห้ อาตมาไปซื้อผืนเดียวแม่ค้าซึ้งแถมสามผืนเลย oh, ซื้อหแถมสามเป็นสี่คนก็เป็นภาพพิมพ์ใจมากแล้วก็อาตมาคิดว่าประทับใจ oh. เพราะในวันสุดท้ายที่โยมแม่ของอาตมาผับสิ้นโ oh. ยมแม่เนี่ยท่านท่านสิ้นในวันที่ท่านสิ้นเนี่ยท่านได้สวมพระถุงที่อาตมาซื้อให้ hmm. อาตมาคิด ว, ว่าถึงแม้เราไม่ได้อยู่เลี้ยงกาท่านแต่ชุดสุดท้ายที่โยมแม่สวมใส่ในการเดินทางไปสู่สัมภารยภพโลกหน้า oh. ก็เป็นชุดที่อย่างน้อยพระลูกชายเคยซื้อให้แม่ครับ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 ซึ่งมากนะฮะอันนี้ผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่ อ, อคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อกี้รลวงพี่บอกว่าเวลาเขาชมก็ชมแม่คนนั้นแล้วด่าก็ด่าแม่คนนั้นแต่ชี้นี่ชี้ชี้ตอนชมชี้คุณหารดอัตมาไม่ห่วงแล้ว ก็ถือว่าจิตใจบกเบิกบานจริงๆนี่ฮรับวันนี้ยอดจริงๆครับวันนี้ต้องกราบเขอพู้คุณฟาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพี่ฮาร์ดและฟาจารต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับต้องบวชให้โยมแม่ก็เลยต้องบวชยาว แล้วกม็มีมีมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ธรรมภาพประทับใจเพราะอะไรเพราะมีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยธรรมภาพได้ซื้อผ้าถุงให้ยอมแม่ครับครับซื้อผ้าถุงซื้อผ้าถุงให้ยอมแม่โอ้แม่ขาเขาตกใจพะอะไรมาซื้อผ้าถุงให้แม่อุ้มมองหัวโจดเท้าไปยค่ะว่าเราซื้อผ้าถุให้กิ๊กอ่ะคือเราก็ไม่ได้บอกซื้อผ้าถุงให้ใครแต่พระมาซื้อผ้าถุงนี่นะครับ ห, หมองหมองเขาบอกวันเนี้ยด่าครบชุดเลยนะโอย่างงั้นเลยนะแล้วพระท่านท่านทำไงเขาบอกนี่ เป็นพระเป็นเจ้ามาซื้อมาถุงให้ผู้หญิงอ่ะมันเหมาะหรือเปล่าเนี่ยโอ้ใช่ไหมครับป่าเปิดฉากเลยโอยแม่ค้าเขาเขาเปิดฉากอาตมาเลยนะปะฉะดะเลยอาตมาเขาบอกชเชยเย็นเดี๋ยวเดี๋อาตมาซื้อไปให้โยมแม่เนี่ยจะถึงวันแม่แล้วพอรู้ว่าโยมแม่อูน้ำตาแม่ค้ไหลเพาะเพาะเพะโอ้ยสาวาทุกถ้าโยมมีลูกอย่างท่านนะโยมก็ไม่ได้มานั่งขายมาถุงอยู่นี่หรอกโอ โ, อโอยอมร้องไห้ อาตมาไปซื้อผืนเดียวแม่ค้าซึ้งแถมสามผืนเลย 3, ซึ้งแถมสามเป็นสุดคนเป็นภาพพิมพ์ใจมากแล้วก็อาตมาคิดว่าประทับใจบเพราะในวันสุดท้ายที่ยมแม่ของอาตมาภาพสิ้นนะโยมแม่เนี่ยท่านท่านสิ้นในวันที่ท่านสิ้นเนี่ยท่านได้สวมผ้าถงที่อาตมาซื้อให้อาตมาคิดว่าถึงแม้เราไม่ได้อยู่เลี้ยงแต่ท่านแต่ชุดสุดท้ายที่ยมแม่สวมใส่ในการเดินทางไปสู่สัมภรยระรยภพโลกนะ่ะก็เป็นชุดที่อย่างน้อยพระลูกชายเคยซื้อให้แม่ครับ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 มากนะครับนี้ผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่อคุณผมหลายๆท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อกี้หลุงพี่บอกว่าเวลาเขาชมก็ชมแม่คนนั้นระด่าก็ด่าแม่คนนั้นชี้แต่ชี้ไม่ชี้ชี้กอนชมชี้คุณฮะแต่มาไม่ห่วงเรา ก็ถือว่าจิตใจโบกเบิกบ้านจริงๆนะครับวันนี้ยอดจริงๆครับวันนี้ต้องกราบเขอพู้คุณพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมุดของเรานะครับผมพิฮารและพระอาจารต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพักเลยนะโอ้ยอย่างนั้นเลยนะฟาจารฟาจารทำไงนี่ เป็นพระเป็นเจ้ามาซื้อพระถงให้ผู้หญิงอ่ะมันเหมาะหรือเปล่าเนี่ยโอ้ได้ไหมครับป่าเปิดฉากโอ้ยแม่ค้าเขาเขาเปิดฉากอาตมาเลยนะปะฉะดเลยแต่เขาบอกใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋อาตมาซื้อไปให้โยมแม่เนี่ยจะถึงวันแม่แล้วพอรู้ว่าโยมแม่อู่นน้ำตาแม่ค้ไหลเพาะเพะเพาะโอยสาธุถ้าโยมมีลูกอย่างท่านนะโยมก็ไม่ได้มานั่งขายพราถุงอยู่นี่หรอกโอ้ยโยมร้องไห้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 ซึ่งมากนะฮะอันนี้ผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่อ<ม>คุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อกี้รุ่นพี่บอกว่าเวลาเขาชมเาชมแม่คนนั้นแลด่าก็ด่าแม่คนนั้น จัดชี้ไ่ชี้ชี้ตงนี้อนชมชีคุณฮาอาจะมาไม่ห่วงเราเพระอจิตใจบวกเบิกบานจริงๆนะครับวันนี้ยอดจริงๆครับวันนี้ต้องกราบขอคุณอาจารอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพิฮาร์และาจาร์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ โอ้ยสามถุงถ้าโยมมีลูกอย่างท่านนะโยมก็ไม่ได้มานั่งขายผ้าถุงอยู่นี่หรอกโอ้โยมร้องไห้อัตมาไปซื้อผืนเดียวแม่ค้าซึ้งแถมสามผืนเลยผืนหนึ่งแถมสามเป็นคนก็เป็นภาพพิมพ์ใจมากแล้วก็อัตมาคิดว่าประทับใจเพราะในวันสุดท้ายที่โยมแม่ของอัตมาผ้าสิ้นะโยมแม่เนี่ยท่านท่านสิ้นในวันที่ท่านสิ้นเน่ยท่านได้สวนผ้าถุงที่อัตมาซื้อให้อัตมาคิดว่าถึงแม้เราไม่ได้อยู่เลี้ยงกายท่าน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 ซึ้งมากนะฮะอันนี้ผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่อค<ด>ุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อกี้หลุงพี่บอกว่าเวลาเขาชมว่าชมแม่คนนั้นแล้ด่าก็ด่าแม่คนนั้นจะที้นี่ชีช้ชี้ตอนชมชีคุณฮารอัตมาไม่ห่วงแล้วก็ถือว่จิตใจบวกเบิกบานจริงๆวิฮาวันนี้ยอดจริงๆครับว<ส>ันนี้ต้องกราบขอพู้คุณพฟาจาย์อีกครั้งหนึงนะครับ เอาละครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพิหารและพระอาจารย์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเช<อ>ิญครับท้ายที่โยมแม่ของอาจารภาพสิ้นนะโยมแม่เนี่ยท่านท่านสิ้นในวันที่ท่านสิ้นเน่ยท่านได้ส่วนพระถงที่อาจารย์ซื้อให้ hmm. อาจารย์ภาพคิดว่าถึงแม้เราไม่ได้อยู่เลี้ยงไก่ท่าน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 ตัวเราเนี่ยโครโมโซม X โครโมโซม Y <ทะ S 1> มาจากพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นแม่สิ้นแล้วแต่ว่าอนุสาวรีย์ของแม่ยังอยู่คือตัวเรา <ทะ S 1> เครับเวลาเขาชมเราเขาก็บอกว่านี่ลูกของแม่คนนั้นเวลาเขาด่า เ, เราเขาก็บอกว่านี่ลูกของแม่คนนั้นเขามชมเขาก็ชมถึงแม่เขาด่าเขาก็ด่าถึงมแม่ดังนั้นจะทําความดีตอบแทนแม่ถึงแม่ไม่อยู่แต่อนุสาวรีย์ของแม่อยู่เป <allemaal S 1> ็นคนดีให้ชาวบ้านชาวเมืองเขาเห็นนั่นแหละคือการตอบแทนพระคุณแม่ที่ดีที่สุดโอ้จริงจริง ซึ่งมากนะฮะอันนี้ผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะเข้าใจเหมือนกัน น, นะฮะแต่เมื่อกี้หลวงพี่บอกว่าเวลาเขาชมกขาชมแม่คนนั้นกระด่ากระด่าแม่คนนั้นจะชี้นี่ชี้ชี้ต <c oughs> อนชมชี้คุณฮานธร ม, มาไม่ห่วงแล้ว <c oughs> ก็ <c oughs> ถือว่าจิตใจบวกเบิดบ้านจริงๆวิหควันนี้ยอดจริงๆครับวันนี้ต้องกราบขอพระคุณฟาจารีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพิหานและพระาจารย์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับชายเคยซื้อให้แม่ก็เป็นความภูมิใจที่ลูกได้ทำให้แม่ก็ประทับใจแล้วก็อยากฝากถึงลูกลูกทั้งหลายว่ามารดายังมีชีวิตอยู่นั่นคือโชคดีของคุณแต่โชคร้ายก็คือ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 นั่นแหละคือการตอบแทนพระคุณแม่ที่ดีที่สุดโอ้โหซึ้งจริงๆครับซึ่งมากนะฮะนี่ผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อกี้หลวงพี่บอกว่าเวลาเข้าชมเขาชมแม่คนนั้นระด่าก็ด่าแม่คนนั้นแต่ชี้ด่ชาชี้คุณฮาอาดธรมาไม่ห่วงเรโอ้โสนุกเขาจิตใจบวกเบิกบานจริงๆริงนะฮะวันนี้ยอดจริงๆริงครับวันนี้ต้องกราบขอพวกคุณฟาจารีครั้งหนึงนะครับเอาไหมฮะ เอาละครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพี่ฮาและพระอาจารย์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับร<อ>ยังไม่เคยกอท่านนะนั่นคือโช ค, คร้ายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแม่อยู่ก็ขอให้กลับไปกราไปดูแลท่านจะแล้วก็ฝากทิ้งท้ายไว้ว่ากราพระเมื่อนองแสนองค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 ซึ่งมากนะครับนี่ผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อกี้หลุงพี่บอกว่าเวลาเขาชมเขาชมแม่คนนั้นแล้วด่าก็ด่าแม่คนนั้นจับชี้นี่ชี้ตอนชมชี้ <laughs> คุณฮาร์ดต่ ม, มาไม่หม่วงแล ก็ถือว่าจิตใจบวกเบิกบานจริงๆพี่ฮาร์วันนี้ยอดจริงๆครับวันนี้ต้องกราบเขอพู้คุณพระอาจารย์อีกครั้งนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพี่ฮาร์และพระอาจารย์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณค่าอะไรเลยครับครับผมพระอาจารย์ครับผมมีอยาก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 ก็ถ <là> <ส>ือว่าจิตใจบวกเบิดบ้านจริงๆพี่ฮาวันนี้ยอดจริงๆครับวันนี้ต้องกราบขอพู้คุณฟาจารย์อีกครั้งหนึงนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพี่ฮาและฟาจารต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่างหนึ่งแต่ไม่มีโอกาสได้ทำเพราะว่าไม่มีแม่แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีไหน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 นั่นแหละคือการตอบแทนพระคุณแม่ที่ดีที่สุดซึ่งจริงๆครับซึ่งมากนะฮะมีผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่อคุผู้ชมหลายๆท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อกี้หลุงพี่บอกว่าเวลาเข้าชมก็ชมแม่คนนั้นระด่าก็ด่าแม่คนนั้นแต่ชี้ไม่ชี้ชี้ตอนชมชี้คุณฮาแต่ทำไมไม่ห่วงเรา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 ซึ่งมากนะครันี่ผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่ อ, อคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อกี้รลงพี่บอกว่าเวลาเขาชมเ็าชมแม่คนนั้นแล้วด่าก็ด่าแม่คนนั้นจะชี้ไม่ชี้ชี้ก่อนชมชี้คุณฮะดามาไม่ห่วงแล้ว ก็ถือว <gegen violin> <warfare> ่าจิตใจบกเบิดบ้านจริงๆพี่ฮาร์ดนนี้ยอดจริงๆครับผมต้องกราบขอพู้คุณฟาจารย์อีกครั้งนึงนะครับครับเอาละครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพี่ฮารและพระอาจารย์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ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 ซึ่งมากนะฮะอันนี้ผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่อคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันนะฮแต่เมื่อกี้หลุงพี่บอกว่าเวลาเขาชมเขาชมแม่คนนั้นแลด่าก็ด่าแม่คนนั้นต่ชี้ไม่ชี้ชี้อนชมชี้คุณฮานาตมาไม่ห่วงแล้ว ก็ถือว่าจิตใจบกเบิกบานจริงๆนีครับวันนี้ยอดจริงๆครับผมต้องกราบขอพระคุณพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับครับเอาละครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพิฮานและพระอาจารย์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเชียร์กันชาวบ้านชาวเมืองเขาเห็นนั่นแหละคือการตอบแทนพระคุณแม่ที่ดีที่สุดโอ้เสียงจริง ซึ่งมากนะฮะนี่ผมเข้าใจแล้วความหมายคืออะไรผมเชื่อคผู้ชมอะไรท่านคงจะเข้าใจเหมือนกันนะฮะแต่เมื่อกี้หลวงพี่บอกว่าเวลาเขาชมก็ชมแม่คนนั้นเวลาด่าก็ด่าแม่คนนั้นแต่ชี้ไม่ชี้ชี้ต <laughs> อนชมชี้คุณฮารอัตมาไม่ห่วงแล้ว <laughs> ก็ถือว่าจิตใจบวกเบิกบา น, นจริงๆนะครั บ, รบวันนี้ยอดจริงๆครับผมต้องกราบเขอพระคุณป้าจ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ วาแล้วครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพี่าาและพ่อจาาต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ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 แต่เมื่อกี้หลวงพี่บอกว่าเวลาเขาชมก็ชมแม่คนนั้นแล้ด่าก็ด่าแม่คนนั้นจัดชี้นี่ชี้ชี้ก่อชมชี้คุณหาร์ดตะมาไม่ห่วงเราก็ถือว่าจิตใจบวกเบิกบานจริงๆฮาวันนี้ยอดจริงๆครับไม่ครับขอบคุณคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับบ๊ายบาครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพี่ฮาร์ดพระอาจารย์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ ระดากระดาาแม่คนนั้นจะชี้ไม่ชี้ชี้กอนชมชี้คุณหาร์ดอตมาไม่ห่วงแล้วก็ถือว่าจิตใจโบกเบิกบานจริงๆงพี่ฮาวันนี้ยอดจริงๆครับวันนี้ต้องกราบขอพวกคุณพระอาจารย์อีกครั้งหนึงนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเวลาของเราลงแล้วนะครับผมพี่ฮารและพระอาจารย์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบา คุณฮาร์ดอาจจะมาไม่ห่วงเร้สนุกนะจิตใจโบกเบิกบานจริงๆนะครับวันนี้ยอดจริงๆครับวันนี้ต้องกราบเขอพวกคุณพอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับบอา่ครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพี่ฮารและพระอาจารย์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับค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 บเบิกบานจริงๆพี่ฮาวันนี้ยอดจริงๆครับวันนี้ต้องกราบขอผู้คุณฟาจารอีกครั้งหนึ่งนะครับคขอบค้วครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับผมพี่ฮารและฟาจาร์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุณพรกราบขอผู้คุณฟาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบครับ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 ผมพิฮารและพระจารต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพิฮารและพระจาร์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจุเล่นถอนพิหารและพระจาร์ต้องรับไปก่อนนะครับสวああัสด e ีครับจุเล่นถอนครับสวั <entscheiden> สดีครับจุเล่นถอน No <laughs>